ท่านพุทธสบริษัทสาธุชนผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่แปดคริสตภาพมพุทธศักราช 2,546 รองกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนหกีกเจ็ดวันข้างหน้า ก็จะเป็นวันสําคัญในทางาพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่เราราลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเนื่องในวันประสูติวันตัสร้และวันเสด็จดับขัน ปรินญิพานของพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าที่เป็นขารบที่เป็นผู้ที่เราท้ารบรักยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณต่อพวกเราเป็นอย่างมากเป็นผู้ก่อสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นผู้ชี้ทางสู่ความดีงาม ความสุขความเจริญถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสัตวโลกทั้งหลายอย่างพวกเรานั้นจะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้ที่จะเป็นเปรียบเปยนเหมือนกับแสงสว่างที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละาพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์โลกของเราจะเป็นอย่างไรโลกของเราก็จะต้องมีแต่ความมืดตลอด24ชั่วโมงเลยจะมีแต่ความยากความลำบากที่จะไปไหนมาไหน เพราะจะไม่สามารถเห็นทางได้ไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยกับเราเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเราอยู่ในความมืดแต่ถ้าเรามีแสงสว่างอย่างในขณะนี้เป็นเวลากลางวัน มีแสงพระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตย์นั้นโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าในยามเช้าก็ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะไปไหนเราก็เดินไปได้ด้วยความสะดวกไม่ต้องคลำทางไปนะฉันใดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์เพราะพระพุทธเจ้ามี พระธรรมซึ่งเรียกว่าธรรมโมปฏีปองปทีปแห่งแสงธรรมเนี่ยแสงธรรมนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักเรื่องราวต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรรู้ว่าดีหรือชั่วรู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษ รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นของเที่ยงหรือไม่ของเที่ยงรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วใจของเรานั้นมักจะมองเห็นตรงกันข้ามกับความจริงเรามักจะเห็นสิ่งที่ เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเห็น <Hello. S 2> สิ่งที่ไม่อยู่ในความควบคุมของเราว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เ <Okay. S 2> มือ่อสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราคิดไว้ ความเสียใจความผิดหวังย่อมปรากฏขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราจึงต้องประสบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆประสบกับความผิดหวังอยู่เรื่อยๆเพราะเรา ไปหวังในสิ่งที่ให้ความสมหวังกับเราไม่ได้นั่นเองเราไปปรารถนาในสิ่งที่จะให้เป็นไปตามใจของเราไม่ได้นั่นเองเราไปอยากในสิ่งที่ไม่อยู่กับเราได้ไปตลอดอยากใหก้อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราได้ อยากเราได้หวังไว้เราก็ต้องเกิดความเสียอกเสียใจร้องหง่มร้องไห้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ชีวิตของเรานั้นก็มาด้วยตัวปเปล่าๆแล้วในที่สุดเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้เวลาลงมาเราก็ไม่ได้เอาร่างกายนี้มา เรามารับจากพ่อจากแม่เราสิ่งที่มานี่คือดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณมาพร้อมกับบุญกับบาปถ้ามีบุญมากก็จะได้มาประสบกับสิ่งที่ดีที่งามถ้ามาพร้อมกับบาปก็จะมาประสบกับสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวาย เมื่อเรามาแล้วเราก็ได้สมบัติชิ้นแรกก็คือร่างกายของเราเมื่อเราจะเริญโตกต่อขึ้นมาเราก็ได้สมบัติอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ที่ดิได้เงินทองได้เข้าของต่างๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมด เพราะเมื่อร่างกายนี้ถึงแก่กรรมคือเมื่อต้องดับไปดวงจิตดวงใจของเราก็เดินทางต่อไปดังนั้นชีวิตนี้จึงเป็นเหมือนเพียงแต่ขั้นบันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นนี่คือมุมมองของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงแต่ขั้นบันไดขั้นหนึ่งเมื่อ เราเก้าวจากบันไดขั้นนี้แล้วเราก็ไปได้สองทางด้วยกันเราจะก้าวขึ้นไปหรือเราจะก้าวลงไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าในชาตินี้เราทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเมื่อตายไป เราก็จะก้าวขึ้นสูงขึ้นไปเช่นได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีความรู้ความฉลาดมากกว่าเก่านี่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านกำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ท่านก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากที่ได้ละปล่อยวางสังขารร่างกายอันนี้แล้วแล้วก็ไปสู่สังขารร่างกายอันใหม่ถ้า ได้แต่ทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วรับรองได้ว่าการที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกี่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแทนที่จะทำบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ไปเสพชรายาเมาเล่นการพนัน ไปลักเล็กขโมยน้อยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าภาเพย์อย่างนี้แล้วเรียกว่ากำลังเดินลงสู่ขั้นต่ำถ้าตายจากชีวิตนี้ก็ต้องไปเกิดในชีวิตที่ต่ากว่า mm hmm. เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นเป็นนกเป็นกาเป็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกับแสวงหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยการกระทำผิดหาเงินทองด้วยวิชามารเช่นไปลักขโมยไปช่อโกงไปป้นไปจี้แล้วก็เอามานนี้มาเที่ยวมาเสพจรายาเมา หาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวในขณะที่ได้เสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อเสพไปแล้วก็เกิดความอยากที่ต้องเสพเพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆมาเสพเมื่อไม่มีเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุขใจ ก็ต้องไปหามาด้วยความทุจริตผิดศีลผิดธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวข่าวของคนทั้งหลายในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอต้องไปข่าฟันต้องไปลักขโมยเพื่อที่จะหาเงินทองมาซื้อความสุขนี่เป็นเพราะว่าไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรม จึงไม่รู้เรื่องราวของบาปบุญคุณโทษเรื่องราวของนรกสวรรค์เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดถึงทําให้คิดว่าเกิดมาชาตินี้ก็มีเพียงชาติเดียวเมื่อตายไปแล้วก็หมดไปสูญไปดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรจะทําดีหรือทําชั่วก็ไม่มีผลที่จะตามมา หลังจากที่ตายไปแล้วผลที่จะได้รับก็เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นถ้าทำความชั่วแล้วไม่ถูกจับก็ถือว่ารอดตัวไปนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าถึงแม้ทำความชั่วแล้วไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่ความชั่วนี้มันติดไปกับใจมันจะเป็นตัวส่งให้ลงไปเกิด ที่ต่ต่อไปมันจะไม่ได้ให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพระอาริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นพระพุทธเจา้าถ้าจะไปแบบพระพุทธเจา้าเราก็ต้องถือว่าการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เป็นเหมือนกับการมาเติมน้ามันให้กับรถยนต์ เพราะเรายังต้องเดินทางไปอีกไกลถ้าเราขับรถไปเวลาไปเจอปั๊มน้ามันแต่เราไม่แวะหยุดเติมน้ามันถ้าขับไปอีกสักระยะหนึ่งน้า ม, มันมันก็ต้องหมดเมื่อไม่มีน้ามันในรถก็ขับรถไปไม่ได้ก็ต้องลงเดินมันก็จะทำให้การเดิ น, ดนทางนั้นยากลำบากยิ่งขึ้นไป แต่ถ้าทุกครั้งเวลาเราขับรถไปเจอปั๊มน้ำมันเราก็หยุดแวะเติมน้ำมันเติมน้าเช็ครมดูสภาพของรถยนต์ถ้าส่วนไหนมันเสียก็ซ่อมเสียแล้วเราก็ค่อยเดินทางต่อไปถึงแม้จะเสียเวลาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่การเดินทางของเราก็จะเดินาปเดินไปได้ด้วยความ สะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่ารถจะไปตายกลางทางไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะไปหมดกลางทางนี่แหละชีวิตของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของเรานั้นกาลังเดินทางอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนกันเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเรามาสอนเรา แต่ถ้าเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีจุดหมายปลายทางเราไม่จำเป็นจะต้องขับรถเวียนอยู่ในวงเวียนเวลาเราขับรถไปเจอวงเวียนแล้วถ้าเราวนอยู่ในวงเวียนต่อให้เราขับทั้งวันทั้งคืนเราก็จะไม่ไปไหนเราก็จะวนอยู่ในวงเวียนนั้น เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนั่นเองเราก็เลยขับวนอยู่ในวงเวียนนั้นไม่รู้ว่าจะไปแยกไหนดีไปถนนเส้นไหนดีไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปพบกับอะไรเราก็เลยวนอยู่ในวงเวียนนั้นแต่ถ้าเราเจอตำรวจจราจรแล้วตำรวจเขาบอกว่าให้ไปเส้นนี้เส้นนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว จะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามมีบ้านช่องมีอาหารมทีที่พักผ่อนหย่อนใจมีแต่ความสุขเกษมสำราญรอเราอยู่ถ้าเราเชื่อตำรวจแล้วขับรถไปตามถนนที่ตำรวจเขาบอกเราเราก็จะได้เดินทางไปถึงสถานที่เราทุกคนอยากจะไปกันเพียงแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรเท่านั้นเราเลยคิดว่าการขับรถเวียนอยู่ในวงวนเวียนอยู่ในวงกวงกลมนี้คือสิ่งที่ดีที่เหมาะกับเรานั่นเองการขับรถเวียนอยู่ในวงเวียนนี้ก็เหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ทําอะไรในแต่ละภพแต่ละชาติไปตามความอยากตามความต้องการ ของกิเลสตาดาเห็นอะไรอยากจะได้ก็คว so like ้ามาเห็นอะไรอยากจะเสดก็เสโดยที่ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นให้เราไปสู่ที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญได้อย่างแท้จริงหรือไม่เมื่อเราไม่ได้รู้เส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ดีเราก็ทําไปตามแบบความอยากของเราความต้องการของเราซึ่งล้วนเป็นการกระทาที่ไม่ได้พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีแต่พาให้เราเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดเกิดมาแล้วก็มาเสด ท, ทำนู่นทำนี่ทำบาป ท, ทำกรรมทำบุญบ้างสลับกันไปแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดที่ต่ำบ้างที่สูงบ้างก็ไม่เคยไปถึงที่สูงสุดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ละเว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นเหตุที่จะชนลากให้เราลงไปสู่ที่ต่ำเช่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทัพการประพฤติผิดโอเวดีการพูดปดโนดเท็จการเสพสุรายาเมาและอบายยมุขทั้งหลายถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็จะต้องลงต่ําเมื่อลงต่ําแล้วมันก็ไปตรงกันข้ามกับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนั้นเราต้องการไปสูง แต่เราไม่รู้ว่าวิธีที่จะพาให้เราไปสูงนั้นไปอย่างไรเราถูกกำนาของความหลงหลอกให้เราว่าไปทางนี้แหละเป็นทางที่ถูกทางนี้ทำไปแล้วมีความสุขคนถึงกล้าทําบาปกันเพราะว่าเมื่อได้เงินทองมาแล้วก็สามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขได้ต้องการอะไรก็สามารถซื้อมาได้ ต้องการเสื้อผ้าต้องการอาหารต้องการบ้านช่องต้องการยารักษาโรคก็สามารถเอาเงินทองนี้มาซื้อได้แต่หารู้ไม่ว่าการหาเงินทองมาโดยความไม่ชอบด้วยการผิดศีลผิดธรรมนี้จะมีผลร้ายกล่าวมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในปัจจุบันเมื่อทำผิดแล้วใจของเราก็จะวุ่นวายใจของเราก็จะมีความกังวลมีความหวาดระแวงไม่รู้ว่าจะต้องถูกเขาจับไปลงโทษเมื่อไรเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในที่ต่างไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาคิดว่าเป็นของหลอกกันขึ้นมาให้เราทำแต่ความดีไม่ให้กระทำความชื่อเพื่อให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ทำบาปนั้น เราจะไม่คิดว่ามีนั่นเองหรือผลที่จะเกิดจากการก็ทำบากราก็คิดว่ามันไม่มีเราจึงกล้าทาความชั่วทําบาป ก, กันเราจึงต้องไปเกิดในที่ต่าเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุใดทําให้เรามาเกิดเพราะว่าเราไม่มีปัญญาพอที่จะย้อนกลับไปถึงต้นเหตุได้ว่า เหตอันใดเราถึงได้มาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ทําตามความอยากต่อไปเวลาเป็นเดราาัจฉานก็ทําแบบเดียวกับสมัยที่เป็นมนุษย์คืออยากจะกินอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําไปโดยไม่คํานึงถึงว่าถูกหรือผิดอย่างไรถูก ผิดศีอไม่ถูกถูกกับศีลธรรมหรือไม่เมื่อทำผิดศีลธรรมตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานอีมันก็จะวนเวียนอยู่ในภพต่างๆอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าวันดีคืดนดีอาสัยอาศัยบุญเก่าที่เราเคยทาอยู่แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราทำบุญละบาปและลดละกิเลสตัณหาต่างๆแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามชีวิตของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขใจเพราะคนเราเวลาทำบุญทำความดีนั้นจิตใจจะมีความเย็นมีความสงบมีความสุข และเมื่อตายไปก็จะได้ไปเกิดในที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่รวยกว่าเดิมเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิมแล้วถ้ายังจำได้ในเรื่องราวของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เราได้ปลกฝังติดกันนิสัย ก็ทําบุญต่อไปรักษาศีลต่อไปปฏิบัติธรรมต่อไปพบหน้าชาติหน้าก็จะดีขึ้นกว่าเก่าอแล้วก็จะทําบุญมากขึ้นไปจะรักษาศีลมากขึ้นไปจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปจนในที่สุดก็จะได้บรรลุธรรมบรรลุทางขั้นสูงคือได้เป็นพะระอรหันต์หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็น พระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัสร้นเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำบุญแต่ละภพแต่ละชาติอย่างสม่ำเสมอเมื่อพระพุทธองค์ได้ทำบุญแล้วท่านก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยก็ทำบุญเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราพวกเรามีทางเลือกจะไปทางไหนจะลงสู่ที่ต่ำหรือเราจะขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระรูปถึงรูปใดพระพุทธเจ้ากับพระนั้นมีหน้าที่สอนเราบอก เราเท่านั้นว่าทางที่จะไปสู่ความสุขความจเจริญ น, นั้นอยู่ในทิศทางใดทางที่จะพาเราไปสู่ความต่ำความเสื่อมเสียความหายนะนั้นอยู่ทิศทางไหนท่านมีเพียงแต่หน้าที่บอกเราเท่านั้นให้เรารู้เมื่อเรารู้แล้วถ้าเราเชื่อแล้วปฏิบัติตามมันก็จะเป็นบุญของเรา ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามมันก็จะเป็นโทษกับเรามันไม่ได้เป็นโทษกับผู้บอกทางเพราะว่าผู้บอกทางนี้เขาไปถึงที่เขาต้องการจะไปแล้วเขารู้อยู่แก่ใจของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะทำให้เราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นเราต้องเสี่ยงดวูว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้น จริงหรือไม่จริงถ้าเราลองดูทำตามที่เขาบอกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงไม่จริงอย่างไรถ้าเราไม่ลองดูเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเหมือนกับที่เวลาเราไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ยามารับประทาน ถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็ไม่รู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคของเราให้หายไปได้หรือเปล่าถ้าเรารับประทานอย่างน้อยเราจะรู้ว่ายานี้จะรักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้ารักษาไม่ได้เราก็ไปหาหมอขอให้หมอเปลีย่ยนยาได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ายาที่หมอให้มานั้น เป็นยาที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ฉันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจคือรักษาโรคของความทุกข์รักษาโรคของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายของเราได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาพิดพิจารณาและนำไปปฏิบัติ แล้วเราก็จะรู้ถึงผลที่จะปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องรอถึงเวลาเราตายไปถึงจะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีผลหรือไม่อย่างไรเพราะธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในภพนี้ในชาตินี้ถ้าเราทำความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรม แล้วความสุขภายในใจของเราจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเราจะเห็นได้ทันทีและเมื่อเราปฏิบัติทำมากยิ่งขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นตัวจิตตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่มาเกิดและตัวที่จะไปเกิดใหม่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเห็นจิตแล้วต่อไปเราจะไม่สงสัยเลยว่ากรรมมีจริงหรือไม่มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่มีจริงเพราะมันเห็นตัวจิตนี่แหละในขณะนี้เรามีจิตอยู่กับเราแต่เราไม่เห็นจิตเห็นเพียงแต่ร่างกายทั้งๆผู้ที่เห็นร่างกายนี้ก็คือตัวจิตเองแต่ตัวจิตนี้ไม่สามารถมองเห็นตัวมันเองได้เหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นหน้าของเราได้ เราต้องอาศัยกระจกสองหน้าเราเราถึงจะเห็นการที่เราจะเห็นธรรมะเห็นตัวจิตเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะทำให้เราเห็นตัวจิตได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้เราจะเห็นตัวจิตเหมือนกับเราเห็นตัวเห็นหน้าตาของเราถ้าเรามีกระจกสองหน้าเรา อยากถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้าเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเรานี้เป็นอย่างไรใครจะบอกว่าหน้าตาเราสวยหรือไม่สวยเราก็จะไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีกระจกไว้สองหน้าเราฉันใดเราก็จะไม่เห็นตัวจิตผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราไม่มีกระจกสองดูตัวจิตกระสบกระจกที่สองดูตัวจิตนี้เราเรียกว่าธรรมะ หรือว่านสองใจว่านสองจิตว่านสองใจว่านสองจิตนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยการทำบุญรักษาศีลเป็นเครื่องส่งให้เราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่ทำบุญทำทานยังไม่รักษาศรรีลการที่จะนั่งสมาธิกับการเจริญวิปัสสนานี้จะเป็นสิ่งที่ยากมาก เหมือนกับสร้างบ้านถ้าไม่มีเสาจะให้สร้างให้ให้บ้านสูงขึ้นไปนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างศาลาหลังนี้ถ้าไม่มีเสาค้ำเพดานค้ำหลังคาวไว้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาได้ฉันใดการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีแว่นสองจิตแว่นสองใจเพื่อเราจะได้เห็นตัวจิตนี้ เราก็ต้องอาศัยการทำบุญทำทานการรักษาศินเป็นเครื่องสนับสนุนก่อนเมื่อเราได้ทำบุญทำทานรักษาศินอยู่เป็นประจำต่อไปจิตของเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะมาอยู่วัดอยู่จำศีลสักสามวันห้าวันเจ็ดวันฝึกไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิจเจริญวิปัสสนา ให้เห็นถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรนี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนพวกเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นจิตของพระพุทธองค์แล้วทรงรู้แล้วว่าตัวที่จะไปเกิดนี้ก็คือตัวจิตและตัวที่จะส่งตัวจิตไปเกิด ก็คือตัวกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาและตัวที่จะมาทำให้จิตนี้ไม่ต้องไปเกิดอกีกต่อไปก็คือตัวสม